2. โกศิยวัคแปรูปิยะสิกขาบทว่าด้วยการรับรูปิยะเรื่องพระอุปนันทศกักยบุตร582ยสบสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครืครั้งนั้นท่านพระอุปนันท飒กัจยบุตรเป็นพระประจำตระกูลของตระกูลหนึ่งรับพัตาหาอยู่เป็นประจำ อของเคี้ยวของฉันอันใดเกิดขึ้นในตระกูลนั้นเขาก็จะเก็บของเคี้ยวของฉันอันนั้นไว้เพื่อท่านส่วนหนึ่งสมัยนั้นในเวลาเย็นเนื้อเกิดขึ้นในตระกูลนั้นเขาได้เก็บเนื้อนั้นไว้เพื่อท่านพระอุปนันท飒กัจยบุตรส่วนหนึ่งเด็กในตระกูลนั้นตื่นเช้ามืดร้องให้อ้อนวอนว่าพวกท่านโปรดให้เนื้อแก่กระผมทีนั้นสามีสั่งภรรยาว่าเธอจงให้เนื้อส่วนของ พระคุณเจ้าแก่เด็กเราจะซื้อของอื่นถวายท่านลําดับนั้นท่านพระอุปนันท飒กัจยบุตรครองอันตราวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปถึงตระกูลนั้นนั่งบนอัสนะที่เขาปูลาดไว้ชายผู้นั้นเข้าไปหาท่านพระอุปนันท飒กัจยบุตรถึงอัศนะครั้นถึงแล้วไหว้ท่านแล้วนั่งลงณที่สมควรกล่าวว่าท่านผู้เจริญเมื่อวันๆในเวลาเย็นได้มีเนื้อเกิดขึ้น พวกข้าพเจ้าได้เก็บเนื้อนั้นไว้เพื่อพระคุณเจ้าส่วนหนึ่งเด็กคนนี้ตื่นเช้ามืดร้องให้อ่อนวอนว่าพวกท่านโปรดให้เนื้อแก่กระผมพวกเราจึงให้ส่วนของพระคุณเจ้าแก่เด็กพระคุณเจ้าจะให้กระผมนำกหาปณ ะ, ะไปแลกอะไรมาขอรับท่านพระอุปนันธะสากยบุตรถามว่าท่านบริจาครับหนึ่งาพณะกแก่ตมาหรือเขาตอบว่าใช่ครับ ท่านพระอุปนัน tha สักยบุตรกล่าวว่าท่านจงถวายขาหาพนันแก่ตมาเถิดทีนั้นเขาถวายขาหาพนันแก่ท่านพระอุปนันท h a สักยบุตรแล้วตําหนิประนามพลทนาว่าพระสมณะเชื้อสายสักยบุตรเหล่านี้รับรปลุพิยะเหมือนพวกเราพวกภิกษุได้ยินบุรุษนั้นตําหนิประนามพลทนาบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามพลทนาว่า ฉไนท่านพระอุปนัน t ะ a สกยบุตรจึงรับรูปิยะเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิท่านพระอุปนัน t ะ a สกยบุตรโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ